มาวัดนะมาหาคุณงามความดีใส่ตัวให้เว็นสมบัติติดตัวไปควรจะมาเพื่อขัดเกลากิเลสกิเลสท่วมโลกนะมีแต่ธรรมะของพระเจ้านะพอจะสู้กิเลสไหวนะแต่คนที่สนใจธรรมะมีไม่มากธรรมะถึงขั้นสู้กิเลสนะต้องขั้น จเจริญปัญญาเนื้อสู้กิเลสได้จริงๆธรรมะระดับรักษาศีลก็ธรรมะเหมือนกันสู้กิเลสหยาบๆยาบได้ไม่ฆ่ากันไม่ตีกันไม่ใส่ร้ายกันสังคมก็ดูดีขึ้นแนะแต่ขั้นศีลก็ดีถมไปแล้วในยุคซึ่งคนไม่มีศีลบ้านเมืองไม่มีศีลน่ากลัวเหลือเกิน เราเหมือนไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีมองอนาคตไม่ออกคนไม่มีศีลสัสอย่างเดียวนี่เราไปทําทุกคนให้มีศีลไม่ไดไ้ต้องอยู่กับคนไม่มีศีลนัล่นแหละเบียดเบียนกันทุกหัวละแหงศนะีลเป็นเครื่องสู้กิเลสชั้นหยาบที่สุดนะถ้าพลาดจากศีลไม่ได้เป็นมนุษย์แนละ้ว ถึงร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจไม่ใช่มนุษย์เนาะ ใ, ใจคิดมุ่งร้ายประหัตประหารมุ่งทำลายกั น, ใ, นใจของสัตว์นรกมีสัตว์นรกอยู่พวกหนึ่งนะเรียกนรกโรกกันโร ก, กันตนรกมันเป็นอยู่ระหว่างรอยต่อของกาแล็กซี่ที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงสัตว์พวกนี้อยู่ในความมืดมก็คลานไปเรื่อยๆแนละ้วมันเจอกันมันก็จับกินสู้กัน กินกันเองตอนนี้ก็คล้ายๆเข้าไปทุกทีแล้วอยู่ในความมืดมืดไม่มีสติมีปัญญาเลยประหัตประหารห้ามหันทำร้ายกันรับจ้างทำร้ายกันก็มีนะสังคมไม่มีศีลก็ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟเบียดเบีย น, นกันนะอยู่ยากแต่เราต้องอยู่กับมันนะ ไม่รู้เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่กับมันอย่างนี้แหละแต่อยู่โดยอย่าไปตามแบบเขานะคนอื่นไม่มีศีลเขช่างเขาเถอะเรามีศีลเอาไว้เราต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปร่างกายของเรามาเกิดในภูมิมนุษย์นี้อยู่ไม่นานอีกไม่กี่สิบปีก็ตายแล้วบางคนไม่ถึงหรุกบางคนไม่ถึง10ปีก็จะตายแล้วนะเด็กเด็กก็ตายไปเยอะแล้ว ไม่ใช่เด็กไม่ตายไม่ใช่ต้องตายตามสีนิลิตี้ไม่ใชนะ่เราอยู่กับมันไม่นานเท่าไหรนะ่เรามาพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยรักษาศีลไวนะ้แล้วมาฝึกจิตศีลจะสู้ราคาโทสะโมหะไม่ให้ราคาโทสะโมหะเนี่ยมาบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราได้กนะ็จะไม่เบียดเบียน นืน่ต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิฝึกจิตของเราสมาธิเป็นเครื่องสู้กิเลสระดับกลางชื่อว่านิวร น, นิวรณมี5ตัวนะแต่ทั้งห้าตัวนะั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านของจิต ท, ทั้งนั้นเลยถ้าฟุ้งไปชอบใจในอารมณ์นะเรียกว่ากรรมฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปเกลียดอารมณ์นะเรียกพยาบาทะพยาบาท ฟุ้งจับจดฟุ้งแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรสเป ส, สปาเรียกอุทัจจาอุทัจจะไม่อยู่ลำพังหรอกพอฟุ้งมากๆก็ลำคาญใจอุทัจจะเป็นโมหะมีะต่อด้วยกุกกุดจะาลำคาญใจกุกกุดจะเป็นโทสะพอฟุ้งได้ที่ก็ลำคาญหงุดหงิดเนี่ยถ้าจิตไม่ฟุง้งไม่ลำคาญไม่หงุดหงิด ลังเลสงสัยก็เป็นความฟุง้งซ่านคนถามกรรมฐานมากๆถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกชิดมากดูกายดูใจมันทํางานเข้าไปไม่มีคําถามมีน้อยคําถามหลวงพ่อเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์นะเรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิองค์เข้าไปหาท่านเนี่ยคำถามหลักๆเลยที่ถามนะคือที่ทําอยู่นี่ถูกไหมข่าวก่อน ท่านสอนมาอย่างนี้ผมไปทําอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าผิดให้ท่านบอกด้วยถ้าถูกแล้วทํำยังไงหยุดพัฒนามากกว่านี้ถามเท่านี้เองนะครูบาอาจารย์ก็ตอบเหมือนกันทุกทีดีแล้วทําอีกจบแล้วไม่มีอะไรต้องมาพิริพิไรขอแถมอีกหน่อยอะไรองี้ขอนั่งอีกนิดไม่มีเสียเวลาเวลาหมดแล้วหมดเลยนะซื้อไม่ได้อะ ทิ้งเปล่าๆไม่นานก็ตายงั้นเราเอาเวลามาภาณนาล้วภาณนาแล้วไม่มีคำถามเท่าไหร่หรอกงั้นถามอะไรมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอยู่เท่านี้เองถามมากกว่านี้คิดมากคิดเยอะไปรู้ให้เยอะๆรู้ทันทุกคนรู้จิตรู้ใจตัวเองได้อยู่แล้ว กายของเราเราก็รู้ได้อยู่แล้วจิตของเราเราก็รู้ได้อยู่แล้วเขารู้เอาบ่อยๆเพาะเรามีสติรู้ทันนิวรณที่เกิดขึ้นนิวรณจะดับอย่างจิตมีพยาบาทเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะพยาบาทดับจิตมีกรรมมชันทะเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรามีสติรู้ทันนะความเพลิดเพลินพอใจคือกรรมชันทะก็ดับ สงสัยขึ้นมามีสติรู้ทันสงสัยก็ดับนะหดหูมีสติรู้ขึ้นมาหดหูก็ดับอาศัยสตินี่แหละนะมารู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นวิธีทําสมาธิที่สุดจะง่ายเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองด้วยนะมีพระสูตรที่สองชื่อสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรู ในชาติศัตรูเกิดมาไม่เป็นศัตรูกับใครนะเป็นศัตรูกับพ่อถ้าคนะ่าพ่อตายในชาติศัตรูไปเรียนธรรมะพระเจ้าสอนเนี่ยให้รู้ทันนิวรณ์นะรู้ทันนิวรนแล้วสมาธิเกิดเนี่ยเป็นวิธีฝึกสมาธิของคารวะาอาศัยสติรู้ทันศัตรูของสมาธิก็จิตไม่มีศัตรูของสมาธิจิตก็สงบเองแหละ ไม่ต้องทําความสงบหรอกอย่าทาความฟุ้งซ่านก็พอแล้วนะความฟุ้งซ่านเราจะทำลายมันได้ไงความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะเลยถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปหาอารมณ์ที่ชอบฟุ้งไปหาอารมณ์ที่ไม่ชอบนะฟุ้งสเปสสปะจับอารมณ์ไม่ถูกนะฟุ้งไปหาอารมณ์ที่ชอบเป็นกามชันทะฟุ้งไปหาอารมณ์ไม่ชอบเป็นพยาบาท ฟุ้งสเปซ ส, สปาเป็นอุทัดจก่กุจจกขุดจ่ฟุ้งไปคิดมากพลังเลมากเป็นวิจิกิจฉาฟุ้งมากหมดเรียรยนะเร่ยวหมดแรงลงไปแผ่ล้าอยู่หมดเรี่ยวหมดแรงดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะเรียกว่าถีนมิทะทั้งจิตทั้งเจตสิกหมดแรงนล้นเะนะนี่ยมาจากความฟุ้งทั้งนั้นถ้ามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปนะสมาธิเกิดเองโดยเฉพาะจิตชอบฟุ้งไปคิดฟุ้งไปคิดนี้บ่อยที่สุด เรารู้ท่านจิตที่ฟุง้งซ่านไปคิดนะความฟุง้งซ่านจะดับจิตจะเกิดสมาธิจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะถึงจะเจริญปัญญาได้ถึงจะทํำวิปัสสนาได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทํำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามสิ่งที่เรียกว่าตัวเรารูปธรรมนามธรรมเน่งเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อ i, นั้นไม่รู้รูปนามไม่รู้รูปรธรรมนามธรรมของตัวเอง ใช้ไม่ได้เลยนะให้รู้ด้วยเนี่ยไปเพ่งเอานะถ้าเพ่งเอารูปธรรมนามาทำแข็งทื่อเลยไม่ดีให้รู้เอาไม่ใช่เผลอไปลื่มกายลืมใจให้รู้เอาไม่ได้เพง่งบังคับกายบังคับใจให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นให้นะรู้บ่อยๆพอจิตใจเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะมันจะตั้งมั่นเราตั้งมั่นเราดูกายดูใจทำงานต่อเลยนี่เดินปัญญาแล้ว เรียนให้ได้นะเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติไม่ยากหรอกไม่มีวิธีบรรลุมรรคผลนิพพานอื่นเลยนะนอกจากการเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี้แหลนะคอยรู้มันลงไปหรือจะเห็นไตรลักษณ์ของกระบวนการทํางานของจิตก็ยังได้เลยกระบวนการทํางานของจิตเป็นวิถีจิต ร, รู้ทันวิถีจิตก็ได้จะเห็นไม่มีตัวมีตนนะเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ นะมันเป็นกระบวนการทํางานสืบเนื่องกันของรูปธรรมนามธรรมเห็นตัวนี้ก็ได้เห็นตัวรูปธรรมนามธรรมตรงๆก็ไดนะ้เห็นการทํางานของมันก็ได้ร้วนแต่สอนตรลักษ์เหมือนกันนะนะในกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมก็คือรูปนามอีกนั่นแหละอย่างปฏิจจสุ บ, บาทอาวิชชาอาวิชชาเป็นรูปธรรมหรือนามธรร ม, ามตอบให้ถูกนะอ วิชาเป็นนามนธรรมอวิชาเป็นโมหะนะเป็นนามนธรรมสังขารนะรูปธรรมหรือนามนธรรมสังขารคืออะไรรู้ไหมตัวสังขารก็คือตัวกรรมการกระทำกรรมนั่นเองตัวเจตานานะั่นเองน่นตัวนามนธรรมนะวิญญาณนะ่ะรูปธรรมหรือนามนธรรมวิญญาณเป็นนามนธรรมทันทีที่วิญญาณอย่างลงนะนะนามรูปจะเกิดขึ้น เกิดพร้อมกันเลยงั้นมีวิญญาณปั๊บนะอย่างลงปั๊บต้องมีรูปนามทันทีเลยงั้นมีขันศีขึ้นมาวิญญาณเป็นขันตัวหนึ่งวิญญาณวิญญาณอักขันทันทีที่วิญญาณเกิดบอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยจริงแต่เกิดพร้อมกันนะเป็นสหชาติปัจจัยด้วยเกิดพร้อมกันงั้นขันห้าเวลาเกิดนะเกิดทีเดียวห้าขันนะ แต่เวลารู้สึกเวลารู้สึกจิตขึ้นจากระวังรู้สึกนะรู้สึกได้เป็นขันขันแบบจะทบความรู้สึกภายในนมามธรรมก็เกิดกรนะะทบกายขึ้มาร่างกายก็เกิดรูปธรรมก็ปรากฏแต่การเกิดโดยชีวิตอุบัติขึ้นมานี่รูปธรรมนามธรรมมันเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะเวลาตายก็ดับด้วยกัน นามรูปล่ะเป็นรูปประธรรมหรือนามธรรมตอบให้ดีนะนามรูปเป็นรูปประธรรมหรือนามธรรมใครว่าเป็นรูปประธรรมบ้างใครว่าเป็นนามธรรมบ้างใครว่าเป็นรูปประธรรมและนามธรรมชื่อมันก็บอกแล้วคิดมากชื่อนามรูปมันเป็นนามธรรมอันเดียวรูปประธรรมอันเดียวได้ไงอายตนะล่ะรูปประธรรมหรือนามธรรมหือ อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปธรรมหรือนามธรรมแล้วเราใจหายไปไหนอ่ะใจเป็นรูปธรรมเหรออยตนะมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเห็นไหมผัสสะล่ะรูปธรรมหรือนามธรรมมีภาสาทางตาด้วยนะอรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมล้วนๆผัสสะเวทนาล่ะตัณหาอุปาทาน นี่นำมาทำเนส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทำงานนะพบพบเป็นอะไรพบก็คือการกระทำกรรมของจิตนั่นแหลนะการกระทำกรรมกรรมมาพบตกลงเป็นอะไร <laughs> ชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยเห็นกระบวนการทํางานนะที่เขาเรียงร้อยนะี่ยนชาติเนยชาติมีทั้งรูปธรรมนามธรรมทุกข์ล่ะนมามธรรมเนี่ยดูไปนะกระบวนการที่ทํางานสืบเนื่องกันของรูปธรรมนามธรรมคนอยู่ตรงไหนไม่มีไหมไม่มีคนเห็นไหมมีความทุกข์ไหม ม, ม, ไห ม, ม, หไหมีมีอวิชชาไหมมีตัณหาไหมมีอุปาทานไหมมีนามรูปไหมมี แต่ไม่มีคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีคนงั้นถ้าภาวนาเป็นเราก็จะดูมีแต่รูปนามไม่มีคนหรอกล้างความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาได้เรียกว่าล้างสักกายทิฏฐิได้ทำลายสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นคนละอันกับความยึดถือว่ามีตัวมีตน ความยึดถือเอามาเป็นตัวตนนะโคฬะหันพระโสดาบันละความเห็นผิดได้แต่ยังยึดถืออยู่นะพระนาคานนะีหมดความยึดถือในกายแนละ้วยังยึดถือจิตอยู่นะพระอราหันตะ์หมดความยึดถือจิตด้วยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างนะจิตจะทำไม่เป็นอันเดียวกันนะจิตสลัดคืนทุกสิ่งทุกอย่างคืนโลกไป จิตกับธรรมเปน็นอันเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าก็เป็นอันเดียวกันนะจิตกับของที่พวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตพวกเราทุกคนนะถึงวันหนึ่งจิตของเรากับพระพุทธเจ้าเปน็นอันเดียวกันเสมอกันแต่เสมอกันด้วยความบริสุทธ์เท่านั้นเป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมชนิดเดียวกันงันธรรมะของท่านนนะไม่ใช่ธรรมะเฉพาะตัวของพระพุทธเจ้า ธรรมะที่ท่านให้ไว้เนี่ยเราศึกษาปฏิบัติตามนะวันหนึ่งเราตามเห็นเห็นตามท่านได้เห็นตามได้เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรค่อยฝึกค่อยทำค่อยเรียนรู้กายรู้ใจไปวันไหนรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็นะทำความสงบเข้ามาให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอจิตพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมารู้กายรู้ใจต่อ เราต้องมีให้ครบนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะมีศีลได้ดีต้องมีสติถ้าคนไหนไม่มีสติอย่ามาอวดเรื่องว่ามีศีลเลยไม่จริงหรอกโกหกถ้าขาดสตินะรู้ทันจิตตัวเองไม่เป็นถือศีลยากกระพร่องกระแปล้งด่างพร้อยง่ายถ้ามีสติรู้ทันจิตอยูนะ่กิเลสเกินนะอายเลยบางกิเลสบางตัวน่าอายตัวไหนหน่าอายที่สุดตัวกูเก่ง เนี่ยสำรวจมาแล้วเวลารู้สึกกูเก่งแล้วพอ ร, รู้ทันนะอายเลยนะใครรู้สึกตัวนี้บ้างตัวนี้หน้าอายถัดจากนี้ก็หน้าด้านถ้ายัางไม่อายอยีกนะหอันี้ถึงนหน้าด้านแนละ้วไม่มีสติอย่ามาอวดเรื่องศีลนะไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อย่ามาอวดว่าทำสมาธิเก่งเลย ทำสมาธิจนกระทั่งอยากรู้อยากเห็นอะไรทั่วโลกาธาตุรู้ได้หมดเลยนะไม่เห็นจิตตัวเองอันเดียวก็ได้ของไม่มีสาระไปเห็นของไม่มีสาระว่ามีสาระนะเพราะกิเลสเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนะกุศลอะไรก็เกิดที่จิตทนะั้นถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิของเราอย่างอ่อนนะอย่างมากก็มีแค่สมาธิสงบแต่ไม่มีสมาธิตั้งมั่น เป็นสมาธิพื้นๆหรอกสมาธิสงบสาศาสนาอื่นก็มีสมาธิตั้งมั่นมีแต่ในคำสอนพุทธเจ้านะคนอื่นไม่มีหรอกไม่เข้าใจเลยในสมาธิตั้งมั่นนี่หายากมากเลยไม่มีสติอย่ามาอวดเรื่องศีลไม่มีจิตผู้รู้อย่ามาอวดว่ามีสมาธิแยกรูปนามไม่เป็นอย่ามาอวดว่าเจริญปัญญ า, าการเจริญปัญญานะั้นเริ่มต้นด้วยการแยกรูปนาม ทำไมต้องแยกก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่าทุกๆส่วนไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราที่ใดเลยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนถัดจากนั้นก็รู้สภาวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นต่อไปจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยกระทั่งความสุขก็เป็นทุกข์อะไรๆก็เป็นทุกข์หมดเลยรูปธรรมก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์จิตเองก็เป็นทุกข์ ในขันห้าไม่มีการสงวนรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้เป็นตัวสุขเลยมีแต่ตัวทุกข์ล้นตวนี้เรียกว่าเราเห็นขันเป็นทุกข์ละวันใดที่เห็นขันเป็นทุกข์ได้เราทำลายอวิชชาได้อวิชชามันไม่รู้ความจริงของอริยสัจไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ถ้าพอเห็นแจ้งว่าขันห้าเป็นทุกข์นะกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองซึ่งเป็นของดีของวิเศษที่เคยฝึกฝนอบรมมานะ มันพลิกขึ้นมาเป็นตัวทุกข์ให้ดูมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเป็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกทําไมสลัดคืนก็มันเป็นตัวทุกข์มันจะไปยกไว้ทําไมจะไปแบกไว้ทําไมไม่ถือเลยสลัดทิ้งไปถ้าสลัดทิ้งไปนะจิตเข้าไปสู่สภาวะอีกชนิดหนึ่งนะไม่ยึดอะไรในโลกนะจิตดวงนี้ไม่มีอะไรย้อมได้ ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่ตรงไหนอย่างของเราจิตยังมีที่ตั้งจิตของเราตั้งอยู่ที่ตาจิตของเราตั้งอยู่ที่หูรู้สึกไหมจิตตั้งอยู่ที่จมูกที่ลิ้นจิตตั้งอยู่ที่กายจิตตั้งอยู่ที่ใจและจิตที่เข้าไปถึงธรรมแท้จิตแท้ธรรมแท้แล้วไม่ได้ตั้งที่ไหนจิตรวมเข้ากันนิพพานนะสัมผัสนิพพานมีความสุข ไม่ใช่สุขที่ตัวจิตนะสุขที่นิพพานแต่จิตกับ น, นิพพานมันรวมอยู่ด้วยกั น, นก็เลยปล่อยสุขไปด้วยกลายเป็นธาตุขึ้นมาเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุบางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์เรียกว่าจิตหนึ่งบางองค์เรียกว่าจิตเดิมแท้บางองค์เรียกว่าใจเดียวบางองค์เรียกว่าใจนะบางองค์เรียกว่าวิญญาณธาตุ บางองค์เรียกว่าธรรมธาตนะุท่านมีบัญญัติไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่และองค์แต่มันเป็นสภาวะอันเดียวกันสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหมดเป็นะสภาวะที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากตัณหานะเรียกว่าวิราคะปราศจากความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารปราศจากความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิมุตตนะิมีความสุข ธรรมของผู้เจ้าอัศจรรย์นะอัศจรรย์แต่ไม่ใช่พระอราหันต์นิพพานแล้วศูนย์นะคําว่าศูนย์หรือคำว่ามีอยู่เนยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ททงคู่เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีเหตุสิ่งนั้นก็มีสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่มนะีความเกิดของท่านไม่มีอีกเพราะไม่มีเหตุให้เกิดนะไม่ใช่เพระกูเก่งนะไม่มี อ่ะส่งกันบ้านวันนี้ทำไมเทศยากนะก็ไม่รู้ยากไปไหมหน้าตาจะไม่ยากนะรู้สึกไหมใจเบิกบานรู้สึกไหมจิตสว่างบางคนมันอยากให้พวกเราจิตมืดนะมันทำทุกวิถีทางเลยทำไม่ได้หรอกเพราะจิตของเราเคล้าอยู่กับธรรมะนะสว่างสไบพวกโฆษณาไก่ของอะ่ะ เพื่อนั่นแหละอยากให้จิตเรามืดไปไหนก็โฆษณาขายของขายของเพื่ออะไรกระตุ้นโลภะใช่ไหมมีไหมกระตุ้นโทสะมีไหมมีจะบอกให้เช่นอุ๊ยคนนี้เขาใช้มือถือรุ่นนี้เท่ของเรารุ่นนี้ไม่เท่เลยใจแป้วเลยเนี่ยเขากระตุ้นโทสะเรานะทําให้เราต้องเอานี้โยนทิ้งไปแล้วไปซื้ออนนันโน้นนี่ กระตุ้นราคาก็ได้กระตุ้นโทรศัก็ได้อย่านึกว่ากระตุ้นแต่โลภะนะอโฆษณาบางงานเนี่ยกระตุ้นโทรศัที่ทําให้เรารู้สึกว่ากระจกกระจอกไม่กล้ามองหน้าชาวโลกแล้วถ้าไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยมันพาให้เรามืดหมดนะ เ, เต็มไปด้วยกิเลส <c oughs> โอธรรมะสู้ยากมากกระแสของการ บ, บริโภคกระแสะกิเลสนะมันแรง สูอยากพวกเราอย่าเป็นเหยื่อเขาก็แล้วกันพัฒนาจิตใจของเรานะตกเป็นเหยื่อของความอยากตกเป็นเหยื่อความโลภความโกรธความหลงทำงานแทบตายาไปซื้อของซึ่งไม่ได้ใช้เยอะแยะเลยเสียดาย <S <S 1> <S 1> เชิญส่งกันบ้านกาดครับก็ช่วงนี้จิตจะ พิจารณาอยู่กับเวทนาอจะเห็นว่าร่างกายถูกเวทนาบีบขั้นอยู่ตลอดเวลาอืดีแม้ว่าบางทีจะเห็นว่ า, าไม่มีลูกมีแต่เวทนาอเวทนาเขาก็เป็นเวทนาของเขาอย่างนั้นเป็นสภาวะธรรมนั่นแหละเราแยกรูปนามได้ละแล้วก็เห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานะไม่ใช่คนหรอกแต่เขาก็มีไม่ใช่ไม่มี คำว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าอนัตตาหมายถึงไม่อยู่ในอำนาจหมายถึงสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อน ия, ัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีถ้ามีเหตุก็มีแต่บังคับไม่ได้เวทนาก็บังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยนะทุกอย่างในขันทั้งหลายไม่มีเราดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเวัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยครับเขาคอยจะย้ำ ถึงความมีอยู่ของความเป็นตัวเป็นตอนอยู่ตลอดจิตนั่ะกลัวมากเลยว่าตัวเราจะหายไปมันจะย้ำตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานะมันจะซ่อนการย้ำความเป็นตัวเป็นตนย้ำไปเรื่อยๆนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยอย่างทําไมบางคนต้องมีเพื่อนเยอะๆย้ำของตัวเองไม่พอนะให้คนอื่นเขาช่วยย้ำด้วยมีเฟซอะไรเขาเรียกอะไรเฟซเฟซบุ๊กเออเฟซิปแปลว่าหน้าหรือเปล่าตัวนั้นเนี่ยหวดหน้าอยู่เนาะ บอกว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ให้คนอื่นช่วยกันรับรองว่าเรามีตัวตนจริงๆเราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อย้ําว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่งั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกฉันไม่มีฉันไม่มีเนี่ยมันฝืนมากเลยฝืนมากคนส่วนน้อยหรอกที่จะรับกระแสธรรมได้ก็จะคิดแต่ว่ายังอยู่กระทั่งนิพพานแล้วยังจะมีฉันอยู่เลยเอาจะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีฉันอยู่งั่นแหละ ในภาวนาต่อไปนะเรจะเห็นว่าไม่มีหรอกไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรที่วันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องสีนนะครับอยากขอาการถามว่าเราภาวนาเราจะพิจารณายัางไงหรือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนี้สิลเราบริบูรณ์แล้ว ส, สีนบริบูรณ์ต้องอย่างต่ําพระโสดาบันนะพระโสดาบันปุถุชนยังไม่บริบูรณ์ศีลก็ะพร่องก็แเเพงศีลที่บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ศีลห้า ฉันชื่ออริยะกันตสีน์นะสีลอริยะกันตสีนมีข้อเดียวอไม่ได้มีหลายข้อหรอกต้องภาวนาไปสิแล้ค่อยได้อันนี้ไ <c oughs> ม่ย่งสีน่าข้อแปดข้ออะไรโอ้รักษายากรักษาเยอะเกินอันนั้นก็คือจิตที่เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงอํานอะ่ะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ไม่อยู่ตันเดียวอะคือกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีน่าก็มีนะ ศีลอะไรก็มีทั้งนั้นเลยมันผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงําจิตนะถ้าเราฝึกสติรู้ทันจิตให้มากเลยนะสุดท้ายเราจะมีศีลที่พระอริยะชมศีลที่พระอริยะชมเฉยเรียกอริยะกันตศีลนะอย่างนั้นถึงอย่าบริบูรณ์อ่ะต่อไปก็ปฏิบัติรูปแบบมากขึ้นค่ะแล้วก็<ม>รู้สึกฟุ้งซ่านน้อยลง กก็ขอับ้านไม่ทําตอดสินะรู้สึกตัวไปจิตต้องถึงฐานจิตตอนนี้ถึงฐานไหมไม่ถึงนะมันออกนอกไหมมันกว้างๆออกไปไหมนะให้รู้ทันนะรู้ทันแล้วมันจะเข้ามาเข้าฐานเองแต่ถ้ามันรู้ทันแล้วมันยังไม่ยอมเข้านะมารู้กายไวนะ้มาดูกายบ่อยๆเดี๋ยวจิตก็เข้าบ้านแต่มันอยู่ข้างนอกมานานแล้วค่ะหลวงพอ่ออดูกายไว้ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกรู้สึกนะมันจะค่อยเข้าใกล้จิตมากขึ้นแล้วต่อไปกิเลสไหลโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันกิเลสไหลโผล่ก็รู้ทันแต่อย่าตามไปรู้ดูห่างๆถ้าตามไปบางทีกิเลสหนีออาไปอยู่ข้างหน้าเราตามมาไปนะกิเลสดับนะจิตเราเลยค้างอยู่หน้าบ้านไม่เข้าบ้านคือยังทําไม่ค่อยเป็นค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับมันไหลตลอดให้รู้ทันว่าไหลไปนะ แล้วดุไ ก, ก่ให้เยอะหรือพุทโธไว้ก็ได้นะพุทโธแล้วจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้มันจะค่อยๆเข้าบ้านได้ฮะเชียบดมกลิ่นที่วัดนี่รู้สึกสำผัสาทางจมูกจะได้กลิ่นอะไรหลายอย่างกลินกล่นชี่ไก่ยเยอะเลยตอนเนี้ยครับบางทีตัดยากก็ยังได้กลิน่นครับเฉพาะผัสสะคนกรุงเทพมันจมูกพิการอโอ้จริงๆในธรรมชาตินะมีกลิ่นอะไรเยอะมากเลยทีนี้เราก็ไปแทรกแซงต่อครับอื มาปรุงตต่่ออจิตตอนนี้ถึงฐานไหมอออกข้างนอกออกข้างนอกนะรู้ทันดีเมื่อวานมีช่วงที่ดีตอนเดินที่ศาลาสองนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนไรนะตอนที่เดินจงกรมที่ศาลาสองครับช่วงนั้มีดีอยู่ช่วงสั้นๆครับเรื่องเหม็นขี้ไก่ไม่รู้จะทําไงแถวนี้เขาปลูกมันเรานึกว่าตรงนี้เป็นเขานะข้ามไปดูนะไล่มันทั้งนั้นเลยถ้าุ ถึงบ้านบึงเลยไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้อยู่นิดเดียวแถวนี้แหละภูเขาหน้าวัดนะถ้าไปดูนะเหมือนแผ่นกระจกข้างหลังแบนแตะแต่เลยก็ถากไปหมดแล้วเ <c oughs> หลือข้างหน้าหน่อย <c oughs> แต่ว่าในวัดแนตะ่ต้นไม้เยอะครับหลังๆขยันทำในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกว่า การภาวนาะมันเริ่มก้าวหน้าต้องทำถ้าเราไม่ทำในรูปแบบหนะ้าหลอกตัวเองว่าเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันพอแล้วไม่พอหรอกจเจริญไปพักเดียวจิตไม่มีแรงเหมือนเหมือนเจริญแต่ไม่จเจริญมีอะไรนะนําเพิ่มไหมครับทำไปทำในรูปแบบทุกวันนะแล้วพอจิตมีกำลังก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไปขอบคุณครับเอาว่าไป ขอขอไล่งานผลการปฏิบัติในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับพอดีว่าไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อหนึ่งปีแล้วครับอืก็ตอนนี้จิตใจทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยฮะจากสมัยก่อนกอ็มีอยู่ประมาณเดือนที่แล้วอะครับไปนั่งสมาธิที่วัดแล้วเสร็จแล้วพอลมมันกระทบที่ตัวปุ๊บจิตมันก็ไหวเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังคร่ะเห็นมันเห็นมันไหวทั้งที่แค่ลมแตะตัวมันก็ไหวออกมาแล้วก็ เวลามีความคิดเนี่ยฮะมันจะเห็นเหมือนเป็นสายน้ําไหลออกมาจากข้างในใจอะค oh, มันจะ <nice. S 2> ค่อยๆไหลไหลไห ล, หลออกมาเราก็บางทีเวลากุศลนกุศลเกิดมันก็จะมีช่องว่าง ข, ขั้นขั้นขั้นนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ภาวนาช่วงหลังแต่ว่าคือเห็นกุศลนกุศลที่มันละเอียดลิบยับก็คือไม่ได้ไปให้ค่ามัน hmm. ก็คือว่าดูมันเกิดดับไปปกติอืม hmm. แต่ว่าที่ผ่านมามีอยู่สองครั้งที่ตัวมันหายไปแวบเดียวนะฮะแต่ขึ้นมาใหม่คือ ตอนที่เกิดอภัยทานขึ้นแบบว่าอาภัยเพราะตัวเรามันหายไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งอื่นก็ไม่มีเราก็เลยเข้าใจว่าอาภัยทานที่เป็นทานสูงสุดมันมันคือตัวมันไม่มีมันก็เลยอภัยทุกอย่างออกไปหมดมก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋ <laughs> อที่ได้อภัยทานในตำรากับที่อภัยจริงๆมันคนละอย่างกันอย่างสิ้นเชิงอแล้วก็ตอนทําทานกับครูบาอาจารย์นะครับคือตอนทํานี่สมัยก่อนๆนี่คือทำแล้วก็อยากได้บุญแต่ตอนหลังคือทําแล้วเหมือน ตัวมันหายไปแล้วรู้สึกว่ามันทำแล้วมันก็สละออกอ ม, มันไม่เอาอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือดูทุกอย่างมันเกิดดับชั่วคราวแล้วก็ช่วงหลังๆคือฟังซีดีลหลวงพ่อปาโมดมหลายๆแท็กคือฟังซ้ำของคุณอ่ะดูออกไหมตอนนี้มันมีกิเลสอะไรมีความเป็นตัวตนโผมหน่อยนึงเออนะให้รู้ทันนะแล้วมันมีความอิ่มอ์อิ่มใจปลื้มอกปลื้มใ จ, มออมใจว่าเราพอน n แต่ก็พยายามให้มันเท่ากันทั้งหมดไม่ให้ค่ามันทุกอย่างเท่าเทียมกันอย่าพยายามนะแค่รู้นะดูปัจจุบันดูปัจจุบันนะทีนี้หลวงพ่อขออีกหน่อยนึงครับคือพอภาวนาวิปัสสนาเนี่ยครับรู้สึกว่าสมถะมันก็ก้าวหน้าขึ้นคืออย่างปัจจุบันเนี่ยฮะแค่ระลึกถึงใครคือมโนภาพคนนั้นกับ กระแสคนนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาในใจ อ, อย่างสมัยก่อนนี่ต้องแบบส่งออกไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นอุขานิมิตขึ้นมาไอย่างนี้ก็ไม่เอานะแต่ก็รู้ว่าเป็นของเล่นนะ เ, ออเป็นของนอกแต่มันออชัดขึ้นไ อ, อ้อย่างนั้นของเล่นถ้าเล่นเราต่อไปเวลาตัดกระแสถ้าตัดตัดยากพอชํานาญนะเรานึกถึงใครเรารู้หมดเลยแต่พอไม่อยากรู้เขาก็คิดถึงแล้วแล้วไม่อยากจะรู้นะมันก็ยังรู้อีกเนี่ยแก้ยากนะครับอย่าไปเล่นไปเลย น, นอกจาก ทําในรูปแบบกับทําในชีวิตประจำวันอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ครบแล้วควรจะทําอะไรต่อไหมครับคือไม่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรอย่างที่หลวงพ่อว่าครับแต่ว่าสํารวจแป่ศีลของเราดีไหมนะศีลของเราดีแล้วก็ดีนะทุกวันก็ฝึกในรูปแบบให้จิตมีความสงบบ้างจิตมีพลังตั้งมั่นบ้างนะวันไหนฟุ้งมากก็ทําความสงบไปวันไหนสงบแล้วก็ฝึกรู้ทันสภาวะไป ทำในรูปแบบนั้นจะทําให้จิตเนี่ยจำสภาวะได้แม่นไว้เวลามาจเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยจะเร็วจะทําได้ว่องไวไม่หลงนานนะ mm hmm. อย่าไปกดก็แล้วกันกดไหมก็บางบางครั้งเหมือนมันจําสภาวะสติได้แล้วมันก็ไปเพ่งหน่อยนึงนะครับ<อ>แต่ก็เห็นแล้วมันก็วางเออน้อย่าไปกดไว้รู้เฉยๆรู้สบายๆนี่พอน้าเก่งขึ้นเยอะแล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับอ้าวต่อไปคใครจะคุยอีก อยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวนี้ภาวนากันเก่งๆยงเยอะมากเลยเอ่าคือภาวนามาสักพักแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนกับทําอะไรไม่ไม่ถูกแล้วครับอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อนะแนะนําเห็นกิเลสไหมก็เห็นเป็นพักๆครับ <c oughs> ทําในรูปแบบไหมพยายามนั่งสมาธิทุกวันทํานะครันะรรจะได้มีแรงครับ ถ้าเราจเจริญสติในชีวิตการบรรลุอดไปเลบางทีงงเลยเหมือนไม่ได้ทําอะไรครับแล้วทอนานไปแล้วใจฝ่อนะรู้สึกไม่ได้ปฏิบัติครับใช่เนะี่ยเรามีรูปแบบทุกวันทุกวันครจะช่วยให้ใจเรามั่นคงครับแล้วจิตถึงฐานไหมขณะนี้ไม่ทราบครับจิตอยู่ข้างนอกหรือจิตอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกครับจิตอยู่ข้างนอกนะจิตออกนอกนะให้รู้ทันไว้จิตออกนอก การที่จิตเราออกนอกแล้วมันโล่งมันว่างออกไปเนี่ยทําให้เราเห็นสภาวะได้ไม่ชัดมันเลยเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะจริงๆคือคือไม่ได้ปฏิบัติจิตไปติดในความว่างสซะและ้วให้รู้ทันว่าจิตออกนอกนจิตจะกลับบ้านเองแล้วมันจะมาดูกายมันจะดูใจต่อรตรงนี้เป็นจุดซึ่งนักปฏิบัติต้องผ่านทุกคนนะพอเราเห็นสภาวะเกิดดับได้ช่วงหนึ่งนีมันจะมีสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ามิปัสนูปกิเลส เกิทุกคนอะที่ทําวิปัสนาถ้าไม่ทำวิปัสนาจะไม่มีวิปัสสนูวิปัสสนูตัวหนึ่งนะก็คือโอภาษามันจะสว่างมันว่างมันโล่งอยู่ข้างหน้านะมันเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรวันๆันสบายๆอยู่แคนะ่นั้นไม่ยอมดูกายดูใจบางทีนะให้เรารู้ทันว่าจิตออกนอกไปจะกลับเข้ามาแล้วมีพลังแล้วดูกายดูใจต่อครับนะสิ่งที่เห็นระหว่างข้างนอกข้างในมันมีอะไรใสๆมากั้นนี้อ่านะตัวนั้นแหละจิตมันติดอยู่ในภพของพลอม ใส่สว่างนะใส่ไม่ออกข้างนอกย้อนมาดูกายดูใจมาดูทุกข์นี่ตอนนี้ที่ต้องทําคือมาให้รู้กายรู้ใจว่าออกนอกใช่มใช่ใช่ให้รู้จิตรู้ว่าจิตออกนอกไปเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้กลับเข้ามาที่กายที่ใจแล้วมาดูกายดูใจเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจต่อครนะไม่ใช่มีแต่สุขหรอกแต่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจไปเห็นแล้วมันถึงจะวางนะตอนนี้มันวางเร็วไปครับ ครับพคุณครับครับพอดีเพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาขอคำแนะนําหลวงพ่อนะครับเคยเคยฟังซีดีแล้วก็หลวงพ่อบอกว่า อ, อกายานุปัสสนาใจเกรือเปล่าว่าจิตเดียวนี้กับจิตแต่ก่อนเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับตอนนี้ตื่นเต้นครับแม่จิตช่วงนี้กับช่วงก่อนๆ อ, อะไรเงี้ยต่างกันดูออกไหมหรือว่าเหมือนกันต่างกันครับฟังซีดีหลวงพ่อหรือเปล่า ฟังครับฟังมานานยังก็ไม่นานครับสองเดือนได้ครับสองเดือนก่อนกับตอนนี้จิตต่างกันดูออกไหมออกครับเออนะตีแล้วล่ะก็ไปดูต่อครับครับใจสังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันดู อ, อกไหมยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่ชัดเจนครับนะเห็นไหมความสุขความทุกข์กับใจเนี่ยคนละอันกันครับ อย่าคลับตามใจหลวงพ่อไม่ได้นะค่อยๆไปหัดนะคไม่ไปหัดรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนครับพอเรารู้สึกตัวนะใจมันจะโล่งจะว่างขึ้นมันจะโปร่งขึ้นรู้สึกมันโปร่งขึ้นไหมรู้สึกครับ อ, อนะใจมันเริ่มรู้สึกตัวพอใจมันโปร่งขึ้นมาแล้วนะต่อไปนี้ค่อยดูกายทํางานดูใจทํางานเหมือนดูคนอื่นะเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าเห็นใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ ครับนะไปจำเมาครับขอบคุณครับอยู่ข้างหลังโน้นเะ่ยสุดท้ายห้องเลยคนแก่อย่างนี้แหละคนแก่ตาไกลกข้างหน้ายกไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ ค, คนแก่ตาฟ้าฟางนะแต่มองไกลนะเด็กๆมองอยู่ตรงเนี้ยเฉพาะหน้าอกหักนิดเดียวก็จะตายแล้วคนแก่นะน้ําจะท่วมโลกยังไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะ ครับการหลวงพ่อครับไม่ไม่ได้ส่งกันบ้านนานรู้สึกก็ยังพุ่งสั้นเยอะอยู่อืแต่ว่าแยกไม่ออกว่าว่าไอ้ที่รู้สึกว่าแยกกายกับใจเนี่ยจริงๆมันมันรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ามันรู้สึกอย่างนั้นแหละเ อ, อแล้วที่ผมรู้สึกว่าคือคือบางทีผมจะท่องพุทโธแล้วก็มันจะรู้สึกหดึงลมหายใจ แต่ไม่แน่ใจว่าการที่ไปรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันคือไปไปติดกับลมหายใจหรือว่ารู้สึกแบบสบายสบายที่หลวงพ่อพูดอะครับถ้าเราติดกับลมหายใจใจจะแน่นขึ้นมาใจจะแน่นๆน่นถ้ารู้สบายสบายใจก็โปร่งโล่งนะก็เป็นรู้เอาตอนนี้ปัญหาคือผมแยกไม่ออกว่าไอ้ที่เป็นอยู่นี่คือมันแน่นแต่ว่าไปชินมันเลยรู้สึกเหมือ น, นธรรมดาธรรมดาหรือเปล่ามันเดมีวิธีสังเกตยังไงไหมครับก็ <c oughs> ทําอย่างที่ทําตอนนี้แหละไม่ผิดหรอกครับมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกไหม ก็ระวังอันเดียวนะ <c oughs> อย่าให้จิตมันกระจายออกไป <c oughs> ให้จิตมันอยู่กับตัวเองเรื่อยๆบางทีมันกระจายกว้างๆออกไปมีความสุขนะแล้วเบาๆว่างๆางแต่ไม่ยอมดูกายดูใจไม่ยอมดูทุกข์ต่ออย่างนั้นไม่ดีเดี๋ยวจะปิดติดดูกายดูใจไปเรื่อยดีแล้วหละที่ทาอยู่ <c oughs> อ, อ่ะครับครับคนนี้อ้างทางนี้บ้างหันมาทางนี้แล้วมีบ้างไหม นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะโยมขสอส่งก่อนบ้านค่ะโยมภาวนาจนเห็นขันห้าทำงานได้เองและมันไม่ได้มีเราแล้วก็หมายความว่าเห็นว่ากายอ่ะไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราแล้วจนกระทั่งมีวันหนึ่งโยมได้ฟังธรรมะหลวงพ่อที่บอกว่าจิตอ่ะเหมือนคนทอดแห่พอเราจับจับตรงตรงกระจุกมันแล้วพอทอดออกไปปับ๊บมันก็ล บ, บทั้งหมดเป็นเรา ซึ er mm ่ง hmm. ก็เห็นว่าจ mm ิตเขาก็ยอมแล้วว่าม so like ันเป็นอย่างนั <c oughs> ้นจริงๆอืมแล้วเห็นจิตเขาสลดอืเก็สลดเสร็จแล้วเขาก็นิ่งๆแล้วพอวันหนึ่งกก็ได้ฟังธรรมหลวงพ่อบอกว่าตาเนี่ยมันอุเบกขาตาเวลามันเห็นมันก็เฉยๆแต่ว่ามันเหมือนว่าจิตมันไปปรุงแต่งว่ามันรักดีมันก็เลยจะเห็นอย่างเห็นสิ่งที่ดีงามอืแล้วจิตเขาก็จิตเขาก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอืมก็จริงสิอ่ะค่ะไม่หลอกหรอกค่ะ พอเขาเห็นนันจริงเขาก็เห็นตามนะว่าสิ่งที่ที่บอกว่าขันห่าไม่ใช่เรานะเน่ะเขาเริ่มที่จะยอมรับได้บ้างแล้วว่ามันไม่ใช่เราจริงอย่างเรายอมไม่พอนะต้องมีคำอีกก็ เ, เห็นว่าก็ายังยอมไม่พอแต่พอมีวันนึงมันยอมบ้างไม่ยอมบ้างค่ะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ออืมย่าให้คิดนํานะค่อยๆรู้ค่อยๆดูสบายๆภาวนาเนียนๆได้นะอย่ารีบร้อน ขอบคุณค่ะคนโบราณเก่งนะรีบร้อนรีบร้อนนะร้อนอะไรร้อนใจลูกลีลูก ล, ก ล, ก ล, กลนเราไม่รีบร้อ น, นก็ไปทำอีกนะไปทำเรื่อยๆดูเล่นๆดูสบายๆดูด้วยใจที่มีความสุขค่อยๆเรียนรู้ไปอ้าวต่อไปขอโอกาสครับทรง การบ้านค ร, บรอบๆหนึ่งปีครับอืมครับก็เห็นกิเลสบ้างครับอ่าเวลาเห็นอะไรที่มันมากระทบมันกระทบที่ใจเลยครับอไม่กระทบตาเลยเหรอกระทบทีเดียวเข้าถึงใจเลยเนอะ ม, นมันกระทบที่หน้าอกเลยครับอ๋อครับแล้วก็มันก็ไปรู้ลมหายใจเป็นระดับแรกครับได้ได้ครั บ, รบ อ, อืก็รู้สึกตัวบ้างครับแต่ไม่รู้ว่าฉันเกียนได้ว่ากิเลสมันก็โผลท่ที่หน้าอกมาเนาะ ความรู้สึกเท่าไหร่ไม่ชอบผุดขึ้นกลางหน้าอกบางทีผุดขึ้นมายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะเห็นไหวๆขึ้นมาบางทีก็แปรสัญญาเข้าไปแปรว่านี่เป็นความโลภนี่ความกโกรธนี่ความสุขอะไรเงี้ยเราก็แค่ดูไปมันจะผุดขึ้นมามันก็ผุดเองดูออกไหมมันผุดได้เองเห็นไหมเห็นครับเออนั่นแหละดีการที่เราเห็นมันผุดขึ้นมาได้เองเราเห็นอนัตตานะมันเป็นเอง แต่มันยังไม่เชื่อครับยังไม่ไม่เชื่อเป็นแบบนั้นถ้าเชื่อเมื่อไหร่ก็เป็นพระโสดาแล้เราก็ต้องดูทุกวันนะจนวันหนึ่งมันยอมเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป <c oughs> ครับ <c oughs> มีไหมอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับดูของจริงของเราเนี่ยที่ผุดขึ้นมาก็เห็นมันมันดับท่านั้นครับนั่นแหละไม่มีอะไรนะที่เกิดแล้วไม่ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นระดับเป็นธรรมดาเนี่ยจิตจะเห็นของจริงเขาเห็นกันตรงนี้แหละดีแล้วนะแต่เวลารู้ที่มันผุดขึ้นกลางอกอย่าไปจ้องให้ดูสบายๆเขาผุดขึ้นมาก็รู้หายไปก็รู้อย่าไปดักดูอย่าไปจ้องนะรู้สบายๆครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าตั้งใจครับไม่รู้ว่าผมยั ง, งดีขึ้นแล้วละ่ะที่ภาวนานดีแล้วครับเขาอากาศหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งครับ คื อ, อผมได้มีโอกาสได้สอนแฟ น, นะครับเรื่องมีสติครับแต่ว่าผมยังสอนเขายังไม่เข้าใจครับว่าสติแบบแบบธรรมะกับสติทางโลกอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงครับเขาการหลวงพ่อครับ hmm? เรื่องสติครับทําไมน ะ, ะสติแบบทางโลกกับสติแบบทางธรรมอะไรงี้ครับว่าเกิดเราคือสติะนะสติแปลว่าความะระลึกความะระลึกได้เป็นตัวที่คอยรู้ทัน่ะ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราอันนี้เป็นสติในการปฏิบัติธรรมสติอย่างโลกโลกนะคือเมื่อไรที่จิตเป็นกุศลนะเมื่อนั้นมีสติอยู่แล้วแต่เป็นสติโลกโลกแต่ถ้าเมื่อไรจิตเป็นอกุศลนะเมื่อนั้นไม่มีสติเราสนใจถ้าสอนเพื่อนนะสอนให้มาทำสติปัฏฐานไะสติรู้กายสติรู้ใจสอนตัวนี้บ่อยๆนะแล้วสติโลกโลกก็จะดีขึ้นเองแหละ เรเสติชั้นยอดก่อนเดี๋ยวสติชั้นรองมันก็ได้เองแหละส่วนที่คนคในโลกพูดเรื่องคําว่าสตินะ่ะมันยืมคําว่าสติของพระพุทธเจ้าไปใช้คนในโลกไม่มีสติขาดสติเป็นส่วนใหญ่เดีนะ่ยวเมาเหล้าเมาเหล้าขับรถให้มีสติอะไรเงี้ยไม่มีหรอกแค่แค่บอกว่าอะไรนะอย่าใจลอยอย่าลืมตัวอะไรเงี้ย จริงๆคนเราใจลอยตลอดเวลาไม่เห็นหรอกในโลกนะหาคนมีสตินะหายากจริงๆจิตนี้ไปคิดหรือยังนีไปคิดแล้วครับเออขาดสติแหละเ <laughs> นี่ยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไปสอนเพื่อนอนะ่ะเวลาเพื่อนหนีไปคิดนะถ้าเขารู้ตรงนี้ได้นะเขาก็จะมีสติขึ้นมาจิตนี้ไปคิดแล้วรู้บ่อยๆอะ่ะจะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิเลยไปสอนกรรมฐานนะ สอนเบื้องต้นเลยนะง่ายที่สุดเลยบอกให้รักษาศีลห้าไว้ก่อนถัดจากนั้นนะถ้าจิตหนีไปคิดเราคอยรู้ไว้ตัวเนี้ยจะได้ทั้งสติจะได้ทั้งสมาธิเลยถ้าเมื่อไร่เขารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะตรงที่รู้ทันนะมีสติทันทีที่รู้ทันนะจิตเขาจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาพอจิตเขาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วถัดจากนั้นก็สอนให้เขาเดินวิปัสสนาต่อให้เขารู้กายรู้ใจไป ดูกายดูใจมันทํางานแอบไปคิดอีกหรือยังแอบไปคิดแล้วครับเ อ, อให้รู้ทันนะอแล้วต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับือทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับาลาช่วยทําดีทําจิตป่องแพ้วทําเท่านี้แหละดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะขอบพระคุณครับใช้ได้เฉยวธรมสการของพ่อครับ ว่าจะไม่ส่งแต่ว่าบรรยากาศดี<อ>ลเลยขอส่งใหม่ครับอ๋รอบรรยากาศดีเลยเหม็นขี้ไก่เยอะแยะคราวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อแล้วแล้วเหมือนหลวงพ่อพูดแล้วผมไม่ฟังแต่จริงๆแล้วผมเบลอครับผมนอนน้อยเลยจะขอเข้ามาหลวงพ่อครับไม่ได้ตั้งใจดื้อครับข่าวข่าวก่อนนะครับหลวงพ่อพูดแล้วผมเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วผมผมนอนมาน้อยครับแล้วก็มันเหมือนกับหลวงพ่อพูดอะไรแล้วมันไม่เข้าหัวเลยครับ ธรรมดานะ บ, บางคนนอนมาเยอะฟังหลวงพ่อก็ไม่เข้าหัวมงเลคราวนี้อยากให้หลวงพ่อตรวจการบ้านหน่อยครับส่งมาส่งการบ้านมาไม่รู้จะส่งอะไรดีครับไปทำอีกไปทำดีแล้วมีอะไรต้องแก้หายเพิ่มเติมไหมคําพ่อรู้ทันเวลาจิตออกนอกไหมรู้ตอนกลับมาครับ มันออกนอกค่อยรู้ไวๆก็แล้วกันเออไอคําว่ารู้ไวๆเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้เองหรือหรือมันกลับมาเองครับเรารู้เองอเราเรากำหนดได้แหละครับว่าไวหรือช้าผมว่าผมมีความสุขแบงค์เรากำหนดไม่ได้ดมันอยู่ที่ซอ้อมอยู่ที่การทําเหตุนะครับเราต้องหัดรู้มันถึงจะรู้ไวงั้นแต่และ ว, วันเราก็ทําในรูปแบบพุโทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วจิตไหลไปแล้วค่อยรู้ไวๆต่อไปมันไหลคลิกเดี๋ยวก็รู้แล้ว อยู่ๆจะไปสั่งให้รู้เร็วไม่รู้หรอกครับต้องทําเหตุจิตถึงฐานไหมขณะนี้ไม่ถึงครับเออใช้ได้สับผ่านสับผ่านในแง่ที่รู้ว่าจิตออกนอกครับขอบคุณครั บ, รบธรรมชาติจิตส่งออกนอกหลวผู้ ด, ดูลสอนอย่างนี้นะธรรมชาติของจิตต้อส่งออกนอกนะแต่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมั่นไหวไปตามอารมณ์เนี่ยเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์ จิตส่งออกนอกแล้วไม่กระเพื่อมบั๋นไหวนะไม่ถูกกันว่างี้นะพระอาหารหันต์มีจิตออกนอกไหมมีไม่เอ่ยไม่มีเพราะไม่มีนอกมีในมันเท่ากันหมดนะนเท่ากันหมดห <c oughs> ลวงปู่ดูลเลยบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกคา <c oughs> ว่าพระอริยะเจ้าท่านคือพระอาหารหันต์มีจิตไม่ส่งออกนอก <c oughs> ออกทาไม จิต ท, ท่านเต็มโลกะธาตุเต็มจักรวาลไม่เห็นต้องออกตรงไหนเลยรู้สึกตัวไหนก็ได้ยันพระรยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีความสุขอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังต้องเขียนป้ายหลวงปู่ดูลยข้างหน้าต้องเขียนให้ครบดีกว่ามันขาดนี่มันบทแรกเท่านั้นนะมีอีกบทหลังก็มีอีกนี่ไม่ครบแล้วแต่คนรุ่นหลังลืมไปล ะ, ะแต่ก่อนนี้ เวลาจะเขียนมันเยอะไปเขียนต้องเขียนรอบสี่ทิศเลยแนละ้วมั่งกว่าจะครบแล้วธรมะขอท่านดีมากนละจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นทีโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวันไหวนะในการสนองรับอารมณ์นะ เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกขนะ์จิตสรงออกนอกแนละ้วไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นวิหารธรรมนะไม่ถูกหรอกท่านนะแต่สร็จแล้ท่านตกท้ายนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์มีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่ปรุงแต่งนะคําสอนท่านลึกคําว่าพระอริยะเจ้าหรือพระอรหรันต์ คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์นี่เมื่อไม่นานหลวงพ่อไปเทศที่วัดบูรณ์วัดบูรพารามนะเทศเรื่องการดูจิตบอกบางคนนเรียนหรืออ่านคำสอนหลวงปู่ดูลแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างบางคนน่หลวงปู่ดูลสอนบอกว่าประคองจิตให้นิ่งเลยนะ ของจิตให้นิ่งเลยความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปแล้วบอกว่าหลวงปูด่ดุลสอนดูจิตแบบนี้ท่านสอนแบบนี้เหมือนกันแต่นั่นเป็นการดูจิตในขั้นการทําสมถะไหมหรือบางท่านก็บอกหลวงปู่ดุลสอนดูจิตบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหายหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้บอกหลวงปู่ดุลสอนก็ถูกอีกหลวงปู่ก็สอนแต่นั่นเป็นผลเป็นผลที่พระอรหันต์ท่านเป็นไม่ใช่อย่างพวกเราเป็น จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมาร์กเรื่อต้องเรียนให้มากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่แปลว่าเห็นจิตชัดๆไม่คลาดสายตาจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งนะที่จะเดินปัญญาก็คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเองถ้าเห็นไตรลักษณ์ของจิตได้ก็วางปล่อยวางได้นี่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลย์มาให้ดูสังขารดูสัญญานะมันปรุงแต่งจิตขึ้นมาหลวงปู่ดุลรู้ทันสัญญารู้ทันสังขาร ก็เลยรู้แจ้งอริยสัจหลวงปูดด่ดุลหลวงปู่มั่นไม่ได้สอนหลวงปูดด่ดูลให้ดูจิตนิ่งๆว่างๆนะแต่ให้เห็นสังขารคือความปรุงของจิตให้เห็นสัญญาคือการหมายรู้ของจิตมันทำงานควบกันอยู่นะเพราะมันไปหมายเข้ามันก็เลยไปปรุงเขาไปปรุงแล้วมันก็ไปหมายนะอย่างพวกเราอยู่ๆนะบางทีความจํามันเกิดขึ้นหน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมานะนี่สัญญามันผุดขึ้นมาก่อน สังขารก็ปรุงเลยนี่ผู้หญิงสวยคนนี้แฟนเก่าเราชอบชอบรักมากนะความรักความรู้สึกรักเกิดขึ้นนะหรือความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นกนะิเลสมาปรุงจิตแล้ว้าไปไหมายผิดๆนะพอปรุงนี่แฟนเรานะีก็หมายผิดๆว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีจริงๆนี่หมายผิดอๆแล้วนะ อาศัยสัญญาทําให้เกิดสังขารอาศัยสังขารทําให้สัญญาทํางานหมายไปผิดๆต่อไปอีกกระทบกันไปกระทบกันมาสั่งสรารวัตยืดเยอะยาวนานเลยงั้นเวลาเราฟังพระพุทธเจ้าฟังธรรมะนะที่พระเจ้าสอนก็ดีฟังที่หลวงพ่อสอนก็ดีนะหรือฟังจากหลวงปู่ดูลสอนหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ดีต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นธรรมะระดับไหนสอนใคร ธรรมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นไม่เหมือนกันอย่างดูจิตเพื่อให้เกิดศีลดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิดูจิตเพื่อให้ตั้งมัน่นดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาโค่นระแบบกันหรือดูจิตเป็นวิหารธรรมของพระอาหารหันต์โค่นระแบบกันอย่าเป็นมั่วนะบอกหลวงปู่ดูลบอกประคองจิตให้ว่างโถวนั้นสอนพวกทําสมถะไม่เป็นให้ทําสมถะก่อนอย่างเงี้ยกวละเรื่องกันเลย หลวงพ่อเคยไปทำนะทำประคองไว้โดนท่านจวกไม่ได้ดูจิตดูจิตต้องปล่อยให้มันทำงานเลยถึงเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันทำงานได้เองนะอาชเชิญกลับบ้านไป